วันนี้อาตมาก็จะพูดเรื่องการมองโลกในแง่ดีเพราะเมื่อสวันก่อนอาตมาเขียนธรรมะขอจะไปสารลงในเฟ e บุ๊กก็มีคนมาถามปัญหานี้ว่าการมองโลกในแง่ดีเนี่ยเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าเพราะบางครั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็หลอกตัวเองแล้วทำได้จริงหรือคือป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยไปนสีที่ทได้หรือไม่มีการหลอกตัวเองหรือเปล่าเสื้อจะไปสารท่านก็เขียนตอไปว่า ไม่มีการหลอกตัวเองเพราะถ้าเกิดสิ่งที่เขีย น, นเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพารยาบุคคลที่คนเราทุกเนี่ยพราะเราวางใจผิดบางครั้งเนี่ยเราเจ็บหรือเกิดอะไรเล็กน้อยเราก็ตีโพยตีพายแล้วเราไปเสียความเป็นจริงเมื่อใจเราไม่ยอมรับแล้วเราก็จะทุกข์อันนี้ทุกสิ่งทุอย่างเนี่ยที่เรากระทบเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่จอนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเรื่องเหล่านี้นะเราจะทุกข์กันทีเลยคือคิดแล้วก็ติด คือความคิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกมันต้องทํางานมันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายวันนึ่งมันคิดทั้งวันแหละเหมือนสายน้ําที่ผ่านมาแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะไปติดเข้าไปจมอยู่ในเรื่องที่เราคิดออกไม่ได้ถ้า ร, ารู้ตัวออกเร็วหน่อยถ้าไม่รู้ตัวนี่ทั้งวันนะเพลเพลหลายวันด้วยเฉพาะเรื่องเดียวน ะ, ะเรื่องเนี่ยเรื่องไหนหนักหนังน้นเราต้องมาทําความเข้าใจกับเรื่องความคิดของเราก่อนถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็จะเข้าใจโลกธรรม มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสุขมีเสรรเสรมีดินทาซึ่งชีวิตหละะัุโยมีเรื่องพวกนี้เพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะเราจะหลอกตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ทุกข์แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยพระอรหันต์จะบอกว่ามีแต่ทุกข์ที่ตั้งอยู่ทุกข์ตัวนั้นที่ดับไปคือคนที่สุขเนี่ยจะมีความทุกข์น้อยก็เลยทํามมาดูเหมือนว่าสุขแต่คนที่เข้าใจแนละ้วคิดว่าตัวเองสุขเราหมดทุกข์แล้วเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ต้องเรียนธรรมะ ก, ก็ได้อันนี้เป็นวิชาทิ่ผิดเป็นความเห็นที่ผิด เพราะว่าทุกคนมีธาตุรู้พุทธะเหมือนกันหมดทุกคนมีตัวรู้แล้วก็มีรูปมีนามทุกคนแต่เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเราเข้าใจเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเราก็จะยอมรับฝากรูงชีวิตได้คือคือรู้รู้ความคิดเราเองว่าเราคิดเอี่าไปกุศลหรืออกุศลแต่ถ้าเราไม่เรียนตัวนี้นะเราก็จะมองโลกในแง่ลายคิดทางลบเกิด อ, อะไรขึ้นมาก็ตีโพยตีปา ย, ยแล้วเสียใจเกินเหตุ บางความคิดจะทําให้เราฆ่าตัวตายได้อย่างตามข่าวนั่งสือพิมพ์โทรทัศน์จะมีเห็นบ่อยๆเพราะคนที่คิดย้ำคิดย้ำทําบนเวียนเนี่ยจะฆ่าตัวตายพอาทนไม่ทนไม่ได้หรือบางคนก็เป็นบ้าไปเลยก็มีเราสังเกตนะคนบ้าจะไม่รู้ตัวเองว่าบ้าหรอกไปถามมันบอกมัน บ, บอกไม่บ้าหรอกเผื่อโทษเราบ้าด้วยรอบตัวเราจะมีคนบ้ามากมายเลยบุคคลบ้านี่คือเขาเขาอยู่ในโลกความคิดคืออยู่ในมิติของเขาแต่เขาไม่เขาออกไม่ได้ไง แล้วเขาก็ปฏิเสธบางทีคิดว่าเขารู้อนาบทมาสิบกว่าปีเนี่ยคือพวกคนบ้ามาทุกรูปแบบจนมีฟ้าถือว่าเคยไปถามเขาเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับเขาบ้านนะเขาว่าเราบ้าด้วยเผื่อบางทีก็พูดคนเดียวแล้วก็ทำตาบลอนทันทีเลยคนบ้าจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเนี่ยมาเรียนธรรมะมาเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวธรรมะนี้ไม่ใช่เรียนแค่ยกมืออย่างเดียวนะยกมือกระเด็นจงกรมเนี่ยบางทีไม่ใช่ปัญญาหรอก ที่ดับทุกไม่ได้ด้วยเพราะเรายังไม่เข้าแสบางครั้งต้องอาศัยปัญญาสมาธิทีเนี่ยหรือปัญญาเนี่ยจะนําหน้าเลยถ้าเป็น ม, มรคมโองแปนเนี่ยปัญญาต้องมาก่อนปัญญาแล้วค่อยมามาสีแล้วมาสมาธิเพราะถ้ามีปัญญานําเนี่ยบางทีก็สามารถลถไฟวิ่งมาอาจจะตกรางก็ได้ถ้าเรามีปัญญาจะนําหมดปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องอาจารย์ปี่สานก็จะเน้นเรื่องนี้บ่อยให้มองโลกในแง่บวก หรือคิดทางที่ดีคิดทางที่เล็้ยงเล้ากุศลเมื่อก่อนอามาก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่อามาทดสอบกับตัวเองเนี่ยอามาเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคือมองโลกกันทางลบแล้วก็แล้วก็ปรุงแต่งเกิดความเป็นจริงอันนี้เราใช้ประสบการณ์เราเองอามาบวชได้ไหเนี่ยอามาเป็นคนที่กลัวกิจชีวิตมนมากนะเพราะอามาฉันอาหารที่สารไม่ได้กินข้าวเหนียวแล้วกินอาหารตามบ้านไม่เป็นอามาไปแอบเลยแหละโยมว่าตามตอนนั้นพระก็มีอยู่แค่ในวัดมีสามี่คนเองบ้ามีคนตายเนี่ยอามาไป เขาฉายไฟฉายส่องหาเลยนะแล้วมาไปแอบอุจจตุร์รู้เขามาตามไปสวดมรติกาเราเราก็เอ๊ะเราก็ไม่ชอบอะ่ะเขาไปแล้วไปฉันะฉอาหารที่บ้านเราก็ยังสวดไม่ค่อยเก่งตอนนั้นคือสวดได้แต่มันลืมแล้วเมื่อก่อนเคยบวชอยู่สวนเคยอยู่สวนโมกก็สวดอยู่เรื่อยแหละแต่ตอนหลังนี่มันพอเราไม่สวนนานเราก็ลืมคือต้องมามาซ้อมใหม่อ่ะถ้าจะสวดอะ่ะมนฑลไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมอันนักลัวกิจที่มนฑลก็ไปแอบแล้วอนันกลัวกิจกรรมด้วย กลารแสดงออกทุกชนิดอย่างธรรมยาตาเนี่ยพอจะไปสาลจัดธรรมยตามาเขาจะไปแอบแล้วช่วงนั้นเราจะหาทางหนีไปจากวัดไปอยู่วัดอื่นเดี๋ยวพอบทงานธรรมยาตาเรา ก, กลับมาหรือช่วงที่บวชเนรเนี่ยอาตมาอาตมาจะชอบความสงบชอบแบบวัดไม่วุ่นวายไม่ชอบกิจกรรมเราก็แอบเหมือนกันช่วงบวชเนรเราก็หาวางแผลแล้วเออบวชเนรเนี่ยเราต้องไป ส, สักเดือนนึ่งเม่อก่อนช่วงบวชเนรเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาตามาอยู่หรอกเดินธรรมยาตาด้วยบวชเนนด้วยช่วงที่วัดมีกิจกรรมอะไรคนเยอะๆอ่ะ เราก็จะไม่อยู่เราจะอยู่ช่วงที่คนน้อยๆโจอตอนหลังเนี่ยพอรรษารรษาภาษาสี่ภาษาสามอารวาก็ไปอยู่กับหลวงวิชัดชัยที่บุรุษทีหลว ง, งพ่อหลวงพ่อเทียนซึ่งตอนนั้นหลวงวิชัดชัยเป็นเจ้าสํานักอยู่แต่ท่านก็อยู่แบบคล้ายๆกันมีวิถีชีวิตที่ไม่ชอบกิจกรรมชอบชีวิต ง, ง่ายๆก็อยู่กันสามสี่คนในในในบุรุษที่พอตอนหลังอาจารย์เนีเป็นประธานบุรุษที ทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนหมดพ่ออาจารย์อเนกก็จะทําให้บุรพทิพยเป็นวัดเป็นสํานักเบิดรับคนเข้ามาแล้วก็จะมีพิธีตองมีการบังคับให้พระองค์ธรรมบัเช้าธรรมบัตเย็นเวลาฉันก็ต้องทําแบบทำแบบเป็นวัดแล้วตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องการให้คนเข้ามาซึ่งเมื่อก่อนหลวงพิชัดเนี่ยจ ะ, จ ะ, จ, ะจะใช้ชีวิตีแบบหนึง่งใช้ยั่วบบสบายๆพอตอนหลังถ้าตกหลังคาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย ที่ไร้แรงสุดในชีวิตท่านก็ทําให้อาราบาเนี่ยขวนกลับมาสุกโกรตอีกครั้งหนึ่งวิถีชีวิตเปลี่ยนเลยนะตอนแรกไม่คี้กลับสุกโตกรตแล้วเพราะกลัวกิจกรรมพัฒนากลัวสุกโกรตมากเมื่อก่อนเพราะเห็นว่าวิถีชีวิตของที่เนี่ไม่เข้ากับเราเลยเราเป็นคนที่ว่าขี้กลัวกลัวการแสดงออกพอเราภาษามากขึ้นเดี๋ยวกต้องนาสวดมนต์เป็นผู้นําอเผอโดนเทศด้วยเราก็สั่นไม่ยู่เทศเรื่องอะไร อนามาใช้เวลาหลังสิปีนะกว่าจะได้เป็นนักเทศของวัดเนี้ยถ้าอนามาศึกไปก่อนก็คงไม่ได้เทศแล้วแหละเพราะว่าเป็นคนที่มาแปลกคือว่าคนอื่นเขาภาษาสองภาษาสามไม่ได้เทศกันหมดแล้วแหะอาจารย์ตุ้มภาษาหนึ่งก็ได้เทศแล้วอาจารย์โนตภาษาหนึ่งก็ถูก ป, ปั้นแล้วอาจารย์ อ, อง 4, ศีภาษาหนึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วพวกนี้เขาจะเร็วมากอนามาขึ้นช้าเขาหมดเลยเพราะว่าไม่มีนิสัยคือวิถีชีวิต ท, ที่แตกต่างแล้วก็แต่มาก็เริ่มปรับตัวนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ย หลวงพ่อจ่าแต่ตอนนี้ก็ษึกไปแล้วเมื่อก่อนก็นกําทําวัดช่วอนาบาก็ไม่ได้สนใจหรอกใช้ชีวิตแบบอยู่ในวัดไปกิจนิมตก็ไม่ได้รับอะไรเท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนหลวงพ่อจาจดจ้างหัวรับหมดอ่ะเมื่จะเป็นคู่สวดหรือกิจนิมน์คนตายงานบุญอะไรเงี้ยอนาบาก็ ใ, าใช้เงินทางบ้านแล้วก็จะอยู่ไปอยู่มาสิงเรากลัวนะกุ้งวิ่งมาหาเราหมดเลยเมื่อก่อนอามาเนี่ยกลัวกลัวมือถือนะเราเล่นมือถือไม่เป็นหรอก แต่สิ่งเรากลัวจะวิ่งมาหาเราหมดเลยอารมาเคยตําหนิอาจารย์โน้ตเฮ้ยอาจารย์โน้ตไปเล่นมีโน้ตบุ๊กมีอะไรแล้วก็ตัวเองก็ไม่ว่างเลยทําแต่งานตอนนี้กรรมสนองแล้วอารมาต้องทำงานหนักกว่าอาจารย์โน้ต เ, เรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อะคื อ, ค, อคือสิ่งเรากลัวจะวิ่งมาหาเราหมดเลยมือถือจากเที่ยวเล่นไม่เป็นเนี่ยแต่เครื่องนั้นช่วยชีวิตหลวงพิชาัดไว้นะถ้าเกิดไม่มีมือถือเครื่องนั้นเนี่ยหลวงพี่จะตายไปแล้วก็ได้ เพวันนั้นมีไว้ติดต่อญาต์แกให้มาหาคือช่วยช่วยสืบความสามารถอ่ะประครังมือถือสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเราเกียดต็แกช่วยได้เรากลัวเขาเรากลัวความไม่สงบตอนหลังก็มาก็เริ่มรับกีจมิลมนไม่หนีแล้วมีความวางใจใหม่เราไปฉันบ้านโยมเราก็มีความสุขไม่เป็นไรไม่ไม่เมื่อก่อนทุกข์มากเลยเพราะเราฉันอาหารแบบนี้ไม่ได้บางครั้งน้ำสวดมน์เมื่อก่อนอะมากลัวมากเลว่าต้องไปตามคนรุนี้มาสวด พรเราเสลดเราละสันกลัวไม่แต่ตอนหลังสวดไปสวดมาเอ๊ะมันก็ได้เนี่ยมันก็มันก็มันก็ไปแล้ว เ, เรากลัวเราตีตัวไปก่อนไข้เรื่องเทศก็เหมือนกันเรื่องเทศเมื่อก่อนเมื่อก่อนเทศสกไปได้หรอกเพราะว่าเทศไปเนี่ยมันนึกไม่ออกคิดจะเทศเรื่องนี้มันก็แฉล์ไปเรื่องนู้นไอเรื่องที่วางแผนมาเนี่ยหายหมดเลยคือเรายังไม่มีประสบอา ก, การทั้งเรากลัวการเทศมากนี่เป็นสาเหตุดึงที่ามาึ้นช้ามากจนอาจารย์ไปสารเปิดโอกาสให้ได้แสดงธรรม เมื่อภาษาที่แล้วสาเหตุที่อาณาาได้แซงทําก็เ Facebook เป็นเหตุแล้วแหละ Facebook เนี่ยเมื่อก่อนอาณาบาก็ไปคิดจะเล่นนะไปเล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันมีจุดดีจุดหนึ่งอาณาาสามารถเอารูปของครูบาอาจารย์ในวัดเราเนี่ยไปลงได้แล้วก็มีคําคมธรรมะต่างๆของครูบาอาจารย์เนีไปลงใหม่ๆมันก็มองงานไม่ออกเขาตละหนักว่างานเป็นเพื่อนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนก็ติดตามงานเรามากขึ้นประสบการณ์ก็สอนเราทําให้เราเนี่ยชํานาญมองงานออก ตอนหลังเลิกกลายเป็นโพสธรรมะในเฟสเนี่ยแทบจะเป็นมืออาชีพเลยก็ได้ทำไปธรรมาจะ เ, เดี๋ยวนี้มีสองกระดานมีเพื่อนติดตามมากมายเราก็เหมือนเสนอข่าวของวัดภูหลงสุกโตภูเขาทองให้ให้คนทั่วไปรับรู้เสนอซึ่งบาครั้งก็เกิดประโยชน์เพราะธรรมะขอจะไปสารเนี่ยสามารถทำให้คนเนี่ยกาลังเครียดกาลังกุ้มใจเนี่ยมีทางออก บางคนหาทางออกไม่ได้เลยพอเจอธรรมะที่กระตุกอะ่ะกระตุกจิตให้กลับมาเรื่องการมองในแง่ดีมั่งเรื่องปล่อยวางมั่งวางใจให้เป็นมั่งหรือเตรียมตัวเตรียมใจน้อมรับความตายเพราะที่สุดว่าชีวิตก็คือความตายไ ม, ไม่ไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ยิ่แล้วอาจารย์ไพศาลเนี่ยจะเน้นเรื่องความตายให้เราปล่อยวางวางใจให้เป็นเพราะโดยธรรมชาติคนเราจะกลัวตายกลัวการสูญเสียกลัวสูญเสียทุกอย่าง จุดเลือกก้อยเลื้อยคือการยึดถืออัตตาเราเนี่นั่นเองยึดถือตัวกูของกูแต่ละคนเราเข้าใจชีวิตว่าตัวกูของกูไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแค่รูป น, นามถ้าสี่ดินน้ำลมไฟไประชุมกันบางครั้งก็ทําให้ทําใจได้สามารถปล่อยวางได้เพราะธรรมะที่เขียนในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ช่วยคนได้มากมายเพราะที่อาตมาองหลวงพ่อพุทธทาสมาลงซึ่งก็มีคําสอนดีๆมากแล้วก็เรื่องเล่าวันพระอวันพระหนึ่งจะโพสต์ครั้งหนึ่งเรื่อ ง, องกูบาจารย์ต่างๆเรื่องหลวงปู่ชามัง่ง หลวงพ่อพุทธธาตุมั่งหลวงวัดเทียนมั่งหลวงพ่อขียนหรือครูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านมีปฏิปท า, ปทาอันดีก็ทําให้คนเนี่ยมีศรัทธาแล้วก็นําไปปฏิบัตินําไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างการมองโลกในแง่ดีเนี่ยยกตัวอย่างก็มีหลวงปู่ดีเนาะซึ่งหลวงปู่ดีเนาะเนี่ยท่านจะเป็นเป็นผ้าชื่อดังของจังหวัดอุดรแต่ท่านจะมีชีวิตอยู่สมัยหลวงปู่มั่น ตอนนี้ท่านก็บรรดภาพไปนานแล้วซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดชีวิตท่านเนี่ยท่านจะมองในแง่ดีบทอย่างโจรมาปล้นเนี่ยท่านก็ยังยังมองว่าดีเลยโจรจะฆ่าท่านท่านก็จะมองว่าดีหรือไปฉันไปฉันกาแฟที่โยมเข้าใจผิดใส่เกลือลงไปท่านก็ว่าดีหรือลถเสียประกินจะหมดไม่ทันท่านก็ว่าดีหมด ตกรถไฟนั่งรถไฟไม่ทันข้าท่างก็ว่าดีอยู่กรุงเทพอีกวันหนึ่งซึ่งการมอในแง่ดีเนี่ยก็สามารถทําให้เราใช้ชิตประจําวันเนี่ยไม่ทุกได้ธรรมะขอใจเป็นสารเนี่ยจะเหมาะกับปุถุชนเราท่านๆไม่เหมาะภาริยาบุคคลเพราะไม่จําเป็นต้องมารู้สึกตัวขอให้เรามีความเห็นถูกต้องไว้ก่อนเราก็สามารถเข้าใจชีวิตได้อย่างอย่างมีผู้หญิงไต้หวันอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่าหวางเหม่ยเหลียงผู้หญิงคนนี้เป็นคนพิการไปแต่กำเนิดคือเป็นคือพูดไม่ได้แต่แกมีเป็นคนที่มีอะไรมีคนแบบมีความพยายามมากจนสา ม, มารถจบการศึกษาที่อเมริกาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของของมหาวิทยาลัย UCLA และเธอก็ไปแสดงในที่ต่างๆซึ่งผู้หญิงคนนี้ พูดไม่ได้แต่ว่าใช้เขียนได้แล้วเธอเนี่ยจะเป็นคนที่วาดภาพเก่งวาดภาพแล้วก็แต่งหนังสือได้มีครั้งหนึงเธอไปแสดงที่สถานที่แห่งหนึ่งมีคนมาฟังกันมากมายขณะที่กําลังเขียนบรรยายความรู้อยู่นั้นก็มีนักเรียนคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าท่านรู้สึกยังไงกับ ช, ชีวิตของท่านที่เกิดมาเป็นแบบนี้ ถ้าไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างหรือซึ่งคำถามนี้สร้างความตกตะลึงให้กับให้แกผ่ผู้ฟังที่อยู่ในห้องประชุมนั้นเพราะกลัวเธอจะเสียใจเพราะซึ่งเธอพิการมาแต่กำเนิดหวังไม่เหล้ยงเธอก็หันไปยิ้มกับผู้ชมและเธอก็หันหน้าเขียนไปที่กระดาษบอกว่าฉันมองตัวเองอย่างไรแล้วก็เริ่มเขียนหนึ่งฉันไม่คนน่ารัก 2. ฉันมีขาเรียวยาวสวยดี 3. พ่อแม่รักฉันมาก 4. ่พระเจ้าประทานฟามรักแก่ฉัน 5. ฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักแล้วเธอก็สรุปซึ่งก็สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ชมทั้งห้อง เธสรุปว่าฉันมองในสิ่งที่ฉันมีไม่มองในสิ่งที่ฉันขาดซึ่งผู้คนผู้คนที่ชมในนั้นก็ตบมือให้ทั้งห้องเลยซึ่งเหตุนี้ทาให้เธอไม่ค่อยทุกข์ทั้งที่เธอเป็นคนพิการซึ่งเธอก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าเรามีกําลังใจและไม่ยอมแพ้ชีวิตเรื่องกําลังใจเป็นสิ่งสาคัญแต่ละคนร่างกายครบสาสองเนี่ยไม่มีกําลังใจซะแล้วนะบางทีไปกินเหล้าเมาย า, ยาหวัวษ หัวทิ้นท้อแท้ชีวิตโทษโชคตาฟ้าดินว่าฟ้าดินไม่ช่วยเลยเกิดมาต้องใช้กรรมใช้เวรอะไรตีโพยตีพายไปเรื่อยชีวิตก็ตกตำ่ำแต่ถ้าคนมีกำลังใจก็ถือว่าสูญเสียอะไรไปเดี๋ยวก็ฟื้นได้บางคนเนี่ยเคยรวยมาเอา้าพบไฟไหม้หมดเนื้อประตัวเอา้าเดี๋ยวเราก็ถือว่าเอ๊ยทำใหม่ได้เขาไม่ท้อแต่บางคนนี่แทจะฆ่าตัวตายเลยนะหมดเนื้อปิตัวเนี่ย นันกำลังใจจึงสิ่ที่สคัญการมองโลกในแง่ดีก็สําคัญช่วยได้สามารถพิขแผ่ชีวิตได้ช่วงหลังเนี่ยเรามาอยู่สุขโตเนี่ยเรามาอยู่แบบสบายแล้วพ่อเรามาสามารถทํางานให้วัดได้เยอะแยะเมืม่อจะเป็นงานเผยแพทยธรรมญญะเท่เทสเด็กเสด็จก็สบายเดี๋ยวดิต้องต้องต้องมีการกาหนดตัวเองว่าเทสเฉพาะประเด็นนี้เท่านั้นเพราะเดี๋ยวมันแฉลไปเรื่องอื่นเพราะมันเรื่องเทสมันบากจริงถ้าเราไม่ไม่วางวางเรื่องเทศไว้นะเราจะแฉลบไปเรื่องอื่นชั่วโมงนึงก็ไม่จบ พอเป็นเรื่องมีเรื่องพูดมากระหว่างประเด็นไว้ก่อนเรื่องส่วนมนก็มีปัญหาอันไหนสวดไม่ได้เราก็ไปหาสวดให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองได้ตลอดอรรมาก็จย่เมื่อคิดหยุด อ, อยู่แค่นี้เราต้องพัฒนาความรู้แต่ถ้าบางคนเนียปิดกั้นที่ตัวเองรู้แล้วเราเก่งแล้วอันนั้นจบเลยครับเมื่อจะไปทางโลกทางธรรมทางธรรมที่พานก็ไม่ได้ทางโลกก็สูญเสียปิดกั้น ก, การเรียนรู้ เพราะแต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกันเราเนี่ยสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้หมดเลยอย่างในวัดเนี่ยมีพระองคเก่งโยมเป็นเก่งเยอะแยะหมดบางคนกเก่งกับเราด้านรูน้เอาเราไปขอความรู้จากเขาเรามีอาจารย์ตลอดเวลาบางด้านที่เราไม่รู้เนี่ยเราเรียนรู้ได้แต่ถ้าเราเป็นคนอวดเก่งเนี่ยเขาก็ไม่สอนเราไม่บอกเราเราก็ไม่รู้เราก็เป็นคนโง่แล้วบางครั้งเนี่ยอารมณ์อารมณ์มต่างๆเนี่ยถ้าเราคิดแล้วไม่ติดเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างบางทีเป็นเรื่องเอาอย่างเกี่ยวกับ คนจุดบรทัดดังปุ้งปั้งปุ้งปั้งเนี่ยให้ดังขนาดไหนเนี่ยมันก็แค่เสียสักว่าเสียแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเราเนี่ยมีมีคิดแล้วติดเนี่ยเราจะเอาเสียงนั้นไปอารมณ์บางทีเลยจะไม่พอใจคนจุดไอ้คนจุดนี่มันยังไงเป็นคนยังไงดื้อด้านพูดแล้วก็ไม่ฟังอันนี้เราจะเกิดอารมณ์แล้วจะโกรธคนจุดเผื่อว่าไม่ไปว่าเขาก็แช่งชักหักกระดูกไอ้คนจุดชิบหายป่วงไปอันนี้เป็การวางจิตที่ผิด แต่ถ้าเรามองแง่บวกแล้วบอกอคนจุดเขาสรุปขนอานว่างเดี๋ยวก็ไม่เป็นอะไรแล้ววันสําคัญอย่างนี้นานๆมีครั้งหนึ่งเสียงบรรทักกดกรเพาะดีผู้ก็สวยงามดีแล้วก็สุขใจได้นะการมองในแง่บวกแง่ลบเนี่ยตรงข้ามเรืองฟ้ากับดินเลยอย่เทียนมายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเรื่องแค่เรื่องจุดพู้นะหรือจุดบรรทัดเนี่ยมองในลบมันจะแข็งกว่าจุดทําให้เสียงดังเห็นอะไรก็ไม่ดีไป่หมดแหละคือมองโลกทางร้าย อาจารย์ยกเลือกตัวอย่างให้ร้ายให้โยมฟังอ่ะเพราะยกตัวอย่างดีเดี๋ยวเข้าใจยากเอาเรื่องที่คิดทางร้ายก็เอาเรื่องสมัยสมัยชุนชิวแล้วกันมีมีเจ้าของแฟนอยู่แฟ้นหนึ่งชื่อว่าโกเจียนโกเจียนเนี่ยเป็นเจ้าเมืองของของเมืองเย่ซึ่งก็ทำสงครามกับเมืองอูซึ่งเจ้าเมืองของเมืองอูชื่อว่าฟูชยัย สองเมืองนี้ลบกันตั้งแต่รุ่นพ่อจะถึงรุ่นลูกคืออยู่มีชายแดนอาเขตติดต่อติดกันก็ทำสงครามมาตลอดจนมาครั้งหลังเนี่ยโกเจียนพาธาโดนฟูชัยเจ้าเมืองอูเนลรอไปหมดเห็นแล้ไม่มีทางเลือกจึงยอมจำนวนแล้วก็เอาครอบครัวตัวเองเปประกันทั้งฝ่ายเมืองอูก็ยอมรับข้อเสนอก็เลยเอาโกเจียนเนี่ยไปอยู่ที่เมืองอูพร้อมทั้งภรรยา แล้วคอยทำหน้าที่คอยเลี้ยงม้าเฝ้าสุสานเวลาองค์ฟูชายเนี่ยไปไหนก็จะให้โกเจียนเนี่ยคอยจูงม้าอยู่ข้างหน้าซึ่งอันนี้สร้างขวามขับแค้นจะให้โกเจียนมากแต่ทางโกเจียนก็ฉลาดวางแผนให้ให้ลูกน้องเนี่ยติดสินบนติดสินบนคนสนิทของฟูชายคือปอผี ให้ปอผีเนี่ยช่วยทุนหรือทุนชมฟาร์มดีความชอบตัวเองบ่อยๆเพื่อให้องคูชายเนี่ยเกิดความรักเกิดความเมตตาและตัวเองก็แกล้งสวอยพักคือลึกๆแล้วมีความเครียดแค้นอยู่คือคือทำดีเอาหน้าเอาตัวรอดเกิดตัวรอดวันนี้ไว้ก่อนจนทางองคูชายก็เริ่มตายใจนึกว่าทางองโกเจียนเนี่ย สวายพักทั้งกายทั้งใจไม่มีอะไรแล้วมีวันหนึ่ง อ, องคผู้ชายได้ป่วยหนักทางโกเจียนก็มามาดูแล้วก็มาลองใช้นิ้วเนี่ยชีบูจละคือแสดงความจริงใจไงแล้วก็บอกว่าอุจละเนี่ยมีรสเปรี้ยวอมขมเดี๋ยวก็หายแล้วเพราะการที่ยอมชี้บูจละเนี่ยก็ทำให้ อ, องคผู้ชายเนี่ยยอมยอมปล่อยโกเจียนเลยแนละ้ะโกเจียนใช้เวลาอยู่เมืองนี้สามปีแต่ทางเสนาบดีที่เมืองนี้ก็ ไม่ควรปล่อยเพราะปล่อยเสือเข้าป่าภายหลังแล้วกลับมาล้างแค้นแน่แต่ อ, องคูชัยไม่เชื่อก็ยอมปล่อยไปพอกลับถึงเมืองตัวเองเนี่ยโกเทียนก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งคือตัวเองก็ไปทํานาทําไร่อยู่กับชาวเมืองแล้วก็ไม่ยอมใช้ชีวิตแบบแบบเจ้าเมืองนะไปนอนกับที่พักแบบธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็เอาฝืนมาวางแล้วก็เอาแฝนดีขมไว้ ทุกคืนก่อนนอนก็จะเลียดีขมเพื่อไม่ให้รื้อฟามแคนที่เมืองอูทำไ ว, ว, ว้วันแล้ววันเล่าซึ่งแคนมากแล้วก็เริ่มส่สองสูมกำลังผู้คนแล้วก็ทำให้เมืองเนี่ยเมืองอูตายใจโดยการส่งของไปให้แล้วก็ส่งสาวงามไซซีไปให้เพราะเมืองอูตายใจคิดว่าเมืองเย่ยเนี่ยสวายพักจริงๆเป็นเมืองขึ้นจริงๆก็เลยประมาท คือออกฟูชายก็เสพแต่นาลีพเพลิดเพลินไม่ได้เตรียมพร้อมลบแต่อย่างใดหลังกนั้น1ิปีโกเจียนก็สามารถรวบรวมผู้คนได้พอพอบ้านเมืองเนี่ยพร้อมทุกอย่างเมื่อจะเป็นข้าวปลาอาหารกำลังผู้คนก็เริ่มไปโจมตีเมืองอู่แล้วตอนนี้เมืองอู่ซึ่งทฟากีเอ็งแข็งแกร่งกว่าแต่ตั้งอยู่ทีฟามาดฟวมาก็แพ้จนได้แล้วก็ออกฟูชายเนี่ยก็โดน จนตอกถูกบีบไปฆ่าตัวตายไปพอโกเจียนเนี่ยชนะศึกแล้วตัวเองก็กลับเมืองเนี่ยแต่เสนาบดีของโกเจียนดูออกว่าโกเจียนเนี่ยเป็นบุคคลที่ร่วมทุกได้แต่ร่วมสุขไม่ได้ก็เลยชิงตัวออกห่างหนีไปซะพราตอนหลังก็กลับมาเนี่ยพอเสพสุขเนี่ยตอนหลังนี่ไม่ไม่มาชิมดีขมและนอนฟื้นละใช้ชีวิตอย่างหรูอย่างพระราชาละแกก็เริ่มกำจัดคนที่ เรื่องนี้ในประวัติศาสตร์จีนจะมีหลายคนอย่างหลิวปังก็เป็นหลิวปังนี่เป็นปัณฑ์กษัตริย์เป็นฮ่องเต้องแรกของราชวงศ์ฮั่นท่านโกโจฮ่องเต้นเนี่ยพอตอนที่ยังไม่ได้เป็นฮ่องเต้นเนี่ยก็คือท่านจะมีพื้นเพเป็นชาวนานนะก็ต้องอาศัยผู้คนเนี่ยจงรักภักดีร่วมทุกข์ร่วมสุขและแสดงความจริงใจพอเป็นฮ่องเต้นเนี่ยพอได้ก็บีบให้ชอปลาอ๋องเนี่ยเชือดคอตาย ว่าชาวปรออกนี่ก็คล้ายๆแบบมีอำนาจแข็งแกร่งกว่าแต่ตัวเองแบบประมาทมองฆ่าศัตรตูบางครั้งความประมาทได้ทำให้เกิดความพ่ายแพ้ได้ถูกบิไปค่าตัวตายพอตอนหลังได้เป็นท้องเต้นเนี่ยก็เริ่มกำจัดคนที่สนิทละคือเป็นคนที่ร่วมทุกข์ได้แต่รู้วสวยสุถไม่ได้คือระแวงไงว่าเดี๋ยวผู้คนสนิทจะไม่เชื่อฟังเราทําให้เราเดี๋ยวรักษาหน้าไม่ได้คือรู้รู้รู้ร ก, ำรกำพืชเราก็เริ่มกำจัดทีละคนสองคนจนกําจัดเกือบหมดอะ ซึ่งเรื่องอำ น, นาจก็เป็นแบบเป็นแบบนี้คือคือแบบนกสิ้นก่ทันซ่อนอย่างในสุภาษิตจีนเะนี่ยพังหมดคุณค่าแล้วก็ต้องเก็บเพื่อรักษาอำนาจไว้อันนี้เป็นการคิดในแง่ลบซึ่งโกเจียนต้องทุกข์ทรมา ก, การคิดแบบนี้เป็นต้องสิบสาปีนะถึงจะบรรลุปเป้าหมายคือสามปีแรกก็อยู่ในเนี่ยแฟนอูสิบปีหลังถึงจะยกทัพไปตีลังแค้นได้ สิบสาปีทนทุกทรมานนอนกองฟืนชิมดีขมจนมีสโลแกนว่าสิบปีล้างแค้นก็ยังไม่สายก็มาจากโกเจียนนี่แหละซึ่งเป็นการคิดทางลบถ้าคนเราเนี่ยถ้าเราคิดบวกเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ไม่ไม่เป็นเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่ยังเป็นต้องไปเครียดแค้นใครใครทาอะไรไม่ดีกับเราเราก็ให้อภยัยเราก็มองลกมองเขาในแง่ดีอันนี้ช่วยได้ เพราเราไม่จำเป็นต้องทําไม่ดีตอบคนที่ไม่ดีต่อเราคือระวังใจให้เป็นกุศลอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วงที่ก่อนงานกฐินทําให้พวกเรามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลกันทั่วหน้าอย่างอย่างวันนี้เราก็จะได้ร่วมกฐินที่วัดภูขอทองเดีย๋ยววันที่26วันตระะุษจุกโตก็จะมีงานกฐินทําให้เรามีโอกาสได้ทําบุญ การทำบุญให้ด้านนิสงมากเนี่ยเราต้องวางใจเป็นถ้าวางใจให้เป็นไม่ค่อาได้นิสงเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยเราทำงานเราก็จะไปเพ่งโทษคนอื่นที่ไม่ช่วยเราทำอย่างเราฝาดใบไม้อ้าวคนนี้ไม่ช่วยเราเลยเราทำกับข้าวเราเหนื่อยจังเลยคนนี้ก็ไม่ช่วยหรือคนเราทำงานทุกอย่างแหละถ้าเราวางใจให้เป็นเราก็จะไปเพ่งโทษคนอื่นว่าไอ้ทำไมเขาไม่ช่วยเราเราทำคนเดียวแต่ถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยเราก็ทำงานมีความสุขไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ ทำไป ส, สุขไปแล้วก็ได้บุญได้ที่สงด้วยเพราะการทําบุญเนี่ยมีสิสบวิธีมีการให้ทานรักษาศีลการภาวนาการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตัวอันนี้ทําง่ายนะบางคนเนี่ยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยก็เป็นบุญละเจอผู้ใหญ่แล้วก็ยกมือไหว้การไหว้ผู้อื่น ก, ก็เหมือนกับการไหว้ตัวเราเองเป็นการลดอัตราด้วยแต่บางคนมองข้างจุดนี้ถ้าเราเป็นคนยะโสหางเนี่ยเราก็ดีไม่ได้เราเป็นคนอ่อนน้อมตถตถ่อมตนเนี่ยผู้ใหญ่ก็ช่วย คือเป็นคนดีอย่างบุญข้อที่ห้าก็คือวัยยาวก็จะมาช่วยเหลือขนวายบุญข้อเนี้ยพวกเราทำกันบ่อยเวลามีงานบุญใหญ่ๆช่วยกันเพราะงานบางอย่างทำคนเดียวไม่ได้ต้องใส่ความสามสามขีเข้หมู่คณะจึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็อย่างข้อที่หกก็แบ่งปันความดีหรือชักชวนให้คนมาทำความดีแล้วก็อุทิศกุศลให้อย่างข้อที่เจ็ดก็เราก็ยินดี อนุโมทนากับผู้ที่ทำำําความดีเห็นใครทําทดีแล้วก็สาธุแล้วข้อนี้อาตมาชอบนะเป็นบุญที่ทําง่ายเห็นใครถวายของให้พระแล้วสาธุเห็นใครทําทําบุญสร้างกุศลเนี่ยเราสาธุบทอันนี้เราได้บุญด้วยนะ ถ, ถ้าถ้าเราตั้งใจทําแล้วการฟังธรรมก็ได้นิสสงมากแต่ถ้าเราฟังไม่เป็นก็ไม่ได้บุญหรอกพระพระเทพเราก็ไปชวนกันคุยหรือฟังบาขอไปทีตั้งใจฟังในี่ยขนาดเราจะได้บุญห้าข้อนทีเลย ไ ด, ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราได้ยินได้ฟังอยู่แล้วก็จะฟังชัดยิ่งขึ้นทําให้เข้าใจยิ่งขึ้ น, าายยนแล้วก็บรรเทาความสงสัยสงสัยเรื่องนู้เรื่องนี้มาฟังแล้วกเกิดปิงขึ้นมาได้แล้วก็ทำฟังเมเห็นที่ถูกต้องนี่ข้อที่สำคัญทําให้เราเนี่ยคิดดีพูดดีทดําดีแล้วคบคนดีสู่สถานที่ดีก็มายากข้อเนี้เพราะถ้าเราเห็นไม่ถูกต้องเราก็ไม่เชื่อบุญบาปไม่เชื่อรกมีสวรรค์มีนิพพานมี พอไม่เชื่อปุ๊บเราก็ทําดีไม่ได้แล้วเราก็เห็งาตัวไปข้อที่ห้าก็ทําให้จิตเราผ่องแผ้วขนาดฟังทำขนาดนิวรจะไม่รบกัวเราถ้าตั้งใจฟังนะอันนี้อธิสงทันทีเลยแล้วก็บุญที่มีอธิสงก็ข้อที่สสแสดงธรรมเหมือนกันสแสดงธรรมนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรอกพวกโยบายพูดให้คนที่อกหักเศร้าโศกเสียใจให้มีกำลังใจสู้ชีวิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสแสดงธรรมแล้วหรือรับฟังคนที่เขากําลังทุกข์ให้ระบาย ได้พูดอาจจะทนฟังก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ได้โดยเราไม่ ไ, ไปขัดคอเขาพอเขาระบายเราเขามีความสุขอันนี้ก็คือเราได้แสดงธรรมเราสามารถทำทุกคนไม่จะเป็นเรื่องพระและอย่างข้อที่สิบนี่ก็สําคัญการทำให้ความเห็นหตรงคามเห็ตรงก็อย่างที่พูดอะทำให้ถูกต้องวงางใจให้เป็นคิดดีมองโลกในแง่บวกแล้วก็มองโลกในตามความเป็นจริงเราสามารถใช้ชีวิตยอยู่ในโลกได้ ตัวที่ตัวเองไม่ทุกข์แล้วสามารถสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้อธิบาพูดมานี่ก็เห็นว่าพอสําเกตกับเวลาเรื่องมันพูดเรื่องที่จะพูดมันเยอะนะถ้าเรามาพูดในชั่วโมงก็พูดได้เรื่อยแหละแต่เวลาเป็นหมดก็ลเลยต้องต้อ ง, ต, องต้องแบบจบแค่นี้ก่อนก็ท่องก่อนให้โยมฟังก่อนหนึ่งก่อนนี้มีชื่อว่าก่อนก่อนนี่เป็นก่อนเกี่ยวกับพอใจสิ่งตัวเองมีอยู่มีอะไรน้อยกว่าเขาอย่าเศร้าส้อย ได้อะไรน้อยกว่าเขาอย่าเศร้าหมองเห็นเขาได้เขามีอย่างที่ปองเราก็ต้องศึกษาอย่าน้อยใจบางอย่างได้เพ่อบุญหนุนนําส่งบางอย่างได้ดังประสงค์คนส่งให้บางอย่างได้เทวดาฝาอวยชัยบางอย่างได้เพราะวิชาปัญญาตัว ใครคิดได้เช่นนี้ดีนักหนาจะไม่เสียเวลาพาปวดหัวโลกกระทำําใจไม่เมามัว ร, รู้ดีชั่วที่ตัวทานําสุขแลขอคาสุขความเจริญธรรมจงมีแกญาติยโยมทุกท่าน